เอาที่นั่งนั่งให้สบายโนมมือขึ้น บายล้นมมือที่ฐานจิตเพื่อปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้านึกตามแ <c oughs> บบนี้พระเจ้าจะตั้งใจปฏิบัติเพื่อเป็นปฏิบัติบูชาคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า กับทางพระธรรมและพระอริยสงฆ์สาวกขอให้น้ำใจของข้าพเจ้าจงสงบระงับตั้งมั่นเป็นสมาธิมีปัญญาเฉลียวฉลาดสามารถรู้แจ้งแทงตลอดในาศาสนธรรมคำสั่งสอน ององค์สิเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกประการเทินพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆสามโจวางมือขวา ทับมือไดทั้งกายทั้งกายตรงทั้งใ จ, นะง ใ, จใจเป็นภาชนะลองรับใจใจเป็นภาชนะลองรับ ธรรมะธรรมะในแก่สติธรรมสติและลึกรู้และลึกรู้ที่ใจและลึกรู้ที่ใจกำหนดเอาตรงกลางหน้าอก ตรงกลางของใจอยู่ที่หมากหัวใจตรงกลางหน้าอกของเราเรียกว่ารูปฮะัฐ ย, ยรูปอัฐยะรูปรูปของหัวใจหมากหัวใจอยู่ตรงกลางหน้าอกที่นี่ท่าใจธรรมท่าท่าใจท่ารูป ไม่มีลูกจะมีความรู้ทราบซ้ามทราบซ้มอยู่ทั่วกายถ้าเรากำหนดกายทีนี้ก็ให้สั้นเข้ามาให้รู้จดจ่ออยู่ตรงกลางหน้าอกหรือรู้อยู่ที่ ปลายจมูกมีดั้งจมูกที่ลมสัมผัสนีเน่เป็นเป้าหมายให้เป็นศูนย์ระลึกของสติเป็นศูนย์รูปของใจนี่ให้พึงเข้าใจให้พึงเข้าใจว่าภาชนะ หรือตะกล้าหรือขันขันแต่ละกองละกองเนี่ยเรียกว่าเป็นเหมือนเป็นตะกร้าอันหนึง่งกองรูปเป็นตะกร้าใบหนึง่งให้ความรู้อยู่ในตะกร้าก็อยู่ในรูปแต่ไมเอาที่ลมเข้าลมออกเรียกว่ากองรูป เวทนาเป็นอาการเสวยเป็นอาการเสวยรู้ด้วยใจและลึกลู้ด้วยสติว่าขณะ น, นี้เสวยอารมณ์อว่าสเสวยความว่างๆเป็นกลางๆไม่สุขไม่ทุกข์ก็เรียกว่า อาทุขะมะสุขายะเวทนาถ้าลู้ซึ่งมีความสุขใจเ อ, อิบยิ่มใจสุมชื่นใจก็เรียกว่าเสวยสุขเวทนาคือความสุขใจแต่ถ้าใจหุดหงิดขวนกระวาย นั่นเป็นอารมณ์ที่ไม่สบาย เ, าเรียกว่าเป็นอทุกขะก็เรียกว่าเป็นทุกขเวทน า, เ, าเป็นเวทนาเป็นความเสวยแห่งความไม่สบายเป็นทุกข์ี่แย่อาการกิริยานอกจากนั้นก็มีตะก้าของ ความจดความจานี่เรียกว่าขันสัญญาขันสังขารขันเป็นความนึกคิดเป็นจิตตังเช่นขณะนี้ให้ให้นึกรู้พุทธหายใจเข้าโทรหายใจออกแถมไปนึกถึงเรื่องเมื่อวานนี่มีอะไร มีประสบอารมณ์อะไรเรื่องอะไรอันเรียกว่ามันไปเสวยอยู่กับอารมณ์อดีตเรื่องตั้งแต่เมื่อวานนี้มาเป็นอารมณ์หรือมันคาดคเนไปข้างหน้าวันหน้าข้างหน้าปีหน้าเดือนหน้าจะมี ปัญหาอย่างน้นอย่างนี้นั่นเรียกว่าพยาคาดคณีอยู่กับอนาคตนี่เป็นเรื่องของจิตปุงแตง่งเป็นจิตตัเป็นตะก้าของสังขารนั่นเรียว่าลูก เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวิญญาณอาการรับรูปทางหูทางตาทางจมกูกตาหูจมูกเลื่นกายใจเนี่ยมันเป็นอาการอาการที่อาการต่างๆมันเกิดมีขึ้นเพราะมหาเหตุ เพราะปมเหตุหรือมหาเหตุมหาฐานท่านเรีว่ามหาประธานมหาประธานเหตุปัจจะโยะละมานะปัจจะโยมียใจนี่แหละเป็นมหาเหตุถ้าไม่มีใจเสยอย่างเดียวไม่มีใจเกิดขึ้นมาเป็นใจ ไม่มีธรรมชาติใจธรรมชาติรู้ๆนอย่างอื่นก็ไม่มีอย่างอื่นก็ไม่มีมมถ้าแยกจริ่งเรานี่ออกไปก็เป็นเป็นสุญญะโตเป็นความว่างว่างจากความเป็นตัวเป็นตนความมีนั่นมีนี่ไม่มี แต่เมื่อมีใจแล้วจึงมีนั่นมีนี่ขึ้นมามีสมมุติอันนัน้นอันนี้เรียกว่าออกไปจากใจจากมหาเหตุคือใจเพรานันจึงว่าใจนี่ล่ะใจนี่เป็นนามธรรมอุสนอคุสน เกิดขึ้นที่ใจความผิดความถูกมีขึ้นเพราะเพราะใจนี่จึงมีสมมุติมีสมมุติมีวิ ม, มุติเพราะมีใจถ้าไม่มีใจแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปพาดพิงอะไร เรียกว่าไม่มีใจไม่มีผู้รู้ไม่มีธาตุรู ก, น, กนี่จึงว่าใจที่ต้องจึงต้องมาศึกษาใจนี่แหละมาจับใจมาจับใจมาเอาใจให้ได้วิธีจับใจที่เป็นสมมุติก็มานึกพุโทโธพุธโทโธสติ แล้วึกรู้จิตนึกจิตนึกใจรู้รู้นึกคุดหายใจเข้ารู้นึกโทรหายใจออกฝึกอันนี้ซะก่อนฝึกฝึกกำลังฝึกกำลังจับใจที่จะจับใจได้ต้อง ต้องมีกำลังของสติสติคือความระลึกลูก่จึงต้องระลึกใ ห, ใ, หให้ชินให้ชินให้ชานาญระลึกลู่ว่าพูดใจก็อยู่กับพูดโทรหายใจออกใจก็อยู่กับโทรพูดหายใจเข้ารูโทรหายใจออกก็ลรูน พุทลู่หายใจเขา้าโท่ลู่หายใจออกอาฝึกจับพุ้ลู่มาฝึกจับพุ้ลู่นี่เรียกว่าปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมในขั้นสมถะสมถะภาวนาหรือว่าในขั้นจิตภาวนา ก็ธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงประทานไว้แหละคำว่าธรรมะธรรมะคือสภาพที่ทรงไว้ซึ่งความเป็นจริงนั่นเป็นสภาวะธรรมโดยสัจธรรมโดยความเป็นจริงของสภาวะธรรมทั้งหลายนั้นจะเป็นความเกิด มีขึ้นก็เป็นคณากิตที่เกิดนี่ก็เป็นธรรมะในการเกิดก็เกิดแล้วก็ดับดับอยู่พร้อมกันเกิดกับดับเช่นเรานึกพุทธเกิดแล้วก็ผ่านแล้วก็ดับแล้วนึกโทก็เกิดโทแล้วโทก็ดับนึกพุทธเกิดพุทธพุทธก็ดับนึกโท เโทษโทษก็ดับนี่คือว่าความเกิดข้อมดับเป็นธรรมะเป็นธรรมะพระพุทธเจ้าสอนให้ปฏิบัติธรรมสอนให้มีศีระสังวรคือให้มีเจตนา เจตนาเจตนาเป็นเป็นตัวกรรมสมมุติว่าตัวแต่มันไม่มีตัวมันเป็นนามธรรมเจตนาเรานึกตั้งใจเจตนาอะไรนะ ถ้าตั้งใจนึกขึ้นมาเกลียดไม่พอใจสิ่งนั้นไม่พอใจนี่เป็นเป็นอกุศลเป็นอกุศลเจตนาเิดความเกลียดความโกรธความไม่พอใจมีเจตนาเข้าใจกวอมเป็นจริงในสิ่งที่สัมผัสมาเป็นอารมณ์ แล้วก็วางตามธรรมชาติไม่มีไม่มีโกรธไม่มีพยาบาทไม่มีวิกิคิดฉาคําลังเลสงสัยความสงสัยในใจเรียกว่าวิกิคิดฉาจะนึกจะนึพูดโทรมันจะดีหรือไม่ดีสงสัยนี่เป็นวิกิคิดฉา ถ้าไม่สงสัยก็นึกเลยพุทธก็ลู่โทรกลู้นี่เป็นธรรมเองถ้าปล่อยพุทธโทรไปนึกถึงสิ่งไม่พอใจโกรธเกลียดเป็นอกุศลไม่เป็นกุศลนี่ให้สังเกตให้สังเกตใจ ให้สังเกตจิตให้สังเกตสัญญาความจำาน่มันจำกุศลหรือมันจำอกุศล ส, ส่วนมากมันจะจำแต่สิ่งที่เป็นอกุศลอะมันจำดีมันไม่ปล่อยไม่วางง่ายส่วนสิ่งที่เป็นกุศลเนี่ยมันจำยากลืมง่ายเช่นให้จำพุทโทพุทธโธ ลืม่ายในการสังเกตการสังเกตจิตการสังเกตเรียกว่ารอบรูรอบรู้ในกองสังขารอันนี้เป็นเรื่องของปัญญาเมื่มันเลาเมื่อรูรอบรูด้วยความชอบธรมด้วยเหตุผล ก็เป็นปัญญาธรรมปัญญาความรอบรู้ในธรรมนี่มันจะชัดเจนขึ้นที่แรกมันเป็นสัญญาความจำเป็นสังขารความนึกคิดปรุงเนี่อมันชัดเจนขึ้นด้วยความเป็นธรรมเป็นปัญญาและเป็นความแจ่มแจ้ง นวิธีจิตก็มาจับใจความว่าใจเป็นมหาเหตุใจเป็นมหาเหตุเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องอกุศลเอกุศลดีชั่วเป็นกาฝ่าของใจ เป็นอาการเกิดจากใจและก็มาเป็นมนทินของใจถ้าอาการอันใดมันเป็นเรื่องอกุศลเป็นเรื่องให้โรคโกรธให้หลงยึดหลงติดนี่เป็นอกุศลถ้าไม่หลงรู้แล้วก็วางเข้าใจแล้วก็วาง สัมผัสแล้วก็วางความดีก็ตามความชั่วก็ตามสัมผัสรู้ว่าเออนี่ดีดีตามสมมุตินี่ชั่วตามสม ม, สมุติถ้าไม่สมมุติถ้าวิมุติไม่มีดีไม่มีชั่วเรียกว่าเหนือดีเหนือชั่วเหนือบุญเหนือบาสมีแต่ธรรมชาติรู้วันเดียว เรีว่ารู้ละรู้วางรู้ว่างรู้บริสุทธิ์รู้ไม่มีทุกข์จะเข้าไปถึงสภาวะอย่างนี้ได้นี่แหละพระพุทธองค์จึงตรัสสอนธรรมะทานทานนั ก, กาสนเสริญทานเห็นเบื้องต้น เป็นผลเป็นความชุ่มชื่นที่จะให้เกิดศีลธรรมทานธรรมให้เกิดศีลธรรมศีลธรรมคือความสงบใจ คือใจมีความรอบรู้อยู่กับตัวเองแล้วก็จะไต่เต้าไปถึงสมาธิธรรมใจมั่นคงแน่วแ น, แน่เวลาบริกรรมพุทโธพุทโธมันจะแน่วแนวแ น, แน่จะรู้เองเห็นเองเป็นเองมีความรู้มีความว่าง มีความสว่างมีความเบาอยู่ในพุทธโทพุทธโทอันนี้เรียกว่าพุทธโทกับใจกลมเกื่นกันนะถ้าพุทธโทพุทธโทยังมืดอยู่ยังฟุ้งซ่านวุ่นวายอยู่ยังไม่กลมเกืนกันแต่ก็ให้พยายามให้พยายามเรียกให้มีความเพียร เหมือนคณะนี่เดียวนี่ภาวนาฟังธรรมะนึกพูดหายใจเข้าโทห้หายใจออกก็ให้สนใจอยู่กับงานนั่นแหละกับการปฏิบัตินั้นส่วนเสียงที่ท่านพูดไปแสดงไปอันไหนมันไปสัมผัสกลงเกลือนกับวิธีของจิตใจของเราที่มันตกอยู่ในสภาวะ ทำในสภาพทำอันนั้นมันก็จะหายสงสยัยมันจะเข้าใจมันจะเออเออเออความจริงเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มันสัมผัสกันได้นี่พุทธเจ้าสทนะเสิญหรือว่าสอนธรรมะประกาศธรรมะ อานะกถาศีละกถาคือความมีสติตั้งสติอยู่เรื่อยๆบ่อยๆนั่นแนหะเรียกว่าศีระสังวรตั้งสติระลึกตั้งเจตนาไว้จะไม่เบียดเบียนใครไม่ทำความทุกข์ให้เกิดกับชีวิตกายใจของ บุคคลใดใครคนหนึ่งนีเดวตั้มตั้งเมตตาภาวนามันจะเป็นเมตตาภาวนากับการรักษาศีลการปฏิบัติศีลคำว่ารักษาศีลรักษาศีลท่านก็บอกเลยว่างดเว้นงดเว้นจากการ ทรมานงดเว้นจากการเบียดเบียนสัตว์อื่นชีวิตอื่นหรือเบียดเบียนตนเองให้ได้รับความทุกข์ทั้งทางกายและทางจิตนี่ในปานาทิบาข้อที่หนึ่งปานาทิปาตาเวรมนีคือบรรดาสัตว์ทุกจำพวก ที่มีลมปานที่มีลมปานที่มีลมปานเนี่ยเหมายถึงว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ตามหรือเป็นมนุษย์สมบัตก็ตามพวกนี้มีลมปานมีกายมีจิตมีลมปานปานโอสัตวีชีวิตปานะสั้นกิตาตนรู้อยู่ว่า สัตว์นั้นมีชีวิตอยู่ยังไม่ตายวทกะจิตตังจิตคิดจะฆ่าคิดจะทำลายคิดะเบียนเวียนวทกะจิตตังจิดคิดจะฆ่าอุปกโมทำความเพียนเพียนพยายามจะฆ่าละ่ะไอ้หัวไปมันหลุดไปทางหนึ่ง ก็พยายามจะตีอีกสุดท้ายก็จนมันตายจนหัวแตกขาแตกแขนหักอะไรก็แล้วแต่หักปีกหัก ข, า, ขาก็เรียแต่นั่นเนี่ยว่ามีความเพียรมีความเพียรที่จะฆ่าเตนะมรนังสัตว์ที่มีลมปานนั่นสิ้นชีวิตด้วยความเพียร น, นั้นนี่ท่านเนี่ยว่าประกอบด้วยองค์ เป็นองค์แห่งความไม่มีกุศลไม่มีกุศลจิตไม่ประกอบด้วยทั้งความสังวรระวังไม่ประกอบท่ามด้วยสติระลึกลู่ไม่ประกอบท่านด้วยเกตนาที่จะเวน้นจึงรวมเป็นอาคุศลเป็นบาปหนัก เป็นบาปอย่างยิ่งนี่กิริยาอาการแห่งแห่งสมมุติที่ออกไปจากใจอันเดียวเป็นมหาเหตุเพราะฉะนั้นความมีความมีความตั้งใจที่จะงดเว้นจากการทำบาปทำโทษทั้งห้าอย่าง ปานาทินากาเมมุสาสุลาที่เราสมทานศีลเป็นองค์แห่งสิขาบทคำว่าเวลามณีน่เป็นเจตนาของเราที่จะเว้นและความมีสติและลึกรู้อยู่น่เรียกว่ามีศีลสังวรมีสติสังวรเป็นอินทรีสังวรศีล เมื่อความสังวร น, นั่นน่ะกล้าต่อเนื่องต่อเนื่องสังวรด้วยความระลึกลูก่ด้วยความเห็นโทษเห็นคุณเห็นโทษแห่งความไม่สังวรเห็นโทษแห่งการกระทำรู้อานาจต่อการกระทําบาสรู้อํานาจต่อความอยากที่จะกระทํากระทําสิ่งที่เป็นอกุศล มันเกิดโทษมันร้อนก่อนจะทำานี่มันก็ร้อนทาลงไปแล้วมันก็ร้อนทำผ่านไปแล้วก็มีผลเป็นเหตุให้ร้อนนี่เห็นโทษมีสติปัญญาเห็นโทษนี่จึงว่าเวลาเอาจริงๆคำว่าปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมปฏิบัติให้มีสติมีสมาธิมีปัญญา มันจะกลมคืนรวมกันเป็นปัจจุบันสติสมาธิและปัญญาศีล ส, สมาธิปัญญาจะทำงานร่วมกันเหมือนกับตัวของเราร่างกายของเราหมดทั้งตัวทั้งมือทั้งเท้าทั้งอวัยวะทุกส่วนแล้วก็รวมเข้าไปทั้ง จ, จิตใจ จิตใจก็มีทั้งสัญญาสังขารวิญญาณเวลามันทางานมันจะร่วมกันหมดเราจะคิดอันใดสิ่งใดสิ่งหนึ่งสักเรื่องหนึ่งอย่างนี้มันทำมันรับรู้ร่วมกันหมดเพราะจรงจริงว่าธรรมะธรรมะมีศีลธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมก็มีกายกับใจ เวลามันทำมันนึกคิดมันจะร่วมกันหมดตั้งแต่การคิดท่านงเรียกว่าเจตนาเจตนาในจุดแรกที่จะเป็นอกุศลจิตคิดคิดเสียใจหรือคิดไม่พอใจพอคิดไม่พอใจขึ้นมา แล้วมันก็จะอธิบายอย่างอื่นต่อไปเลยก็เป็นเรื่องที่ไม่พอใจเป็นเรื่องที่ให้เกิดทุกข์เกิดความาร้อนร้อนที่แรกมันจะบาปนิดๆบาปจากเกีตนาจากความคิดนีด่แหละมันจึงจะขยายผลออกไปโซ่กิ่งก้านสาขา มันจึงจะบาปออกไปถึงมือถึงเท้าถึงปากถึงวาจาแล้วก็ประมวลเข้ามาสู่ใจก็เป็นความนึกความคิดที่ใหญ่โตขึ้นคิดเรื่องบาปก้มงขวางขึ้นนี่จะว่ามันอยู่ด้วยกันมันอยู่ด้วยกันทนี่พุทธเจ้าจึงสอนธรรมะเนี่ยสอนให้ สอนให้รักษาศีลสอนให้มีความตั้งใจเคตนาโงดเว้นจากการทำบาปสมาทานสังวรในการไม่ทำบาปนี่มันเป็นมันเป็นการละบาปทำบุญอยู่ด้วยกันในประธานคือความเพียรเสียยางสังวรประธานเป็นเบื้องต้น คือสังวรระวังให้ลูกให้ลูกเรื่องเรื่องอันนี้มันเป็นเรื่องบาปเรื่องอันนี้เป็นเรื่องบุญเหมือนกันกับเขาให้ลูกเรื่องอาหารสิ่งที่เราจะบริโภคยังชีวิตให้เป็นไปเขาให้ลูกอาหารชนิดนี้มันจะเป็นโทษเป็นพิษ ต่อชีวิตร่างกายของเราอาหารประเภทนี้มันจะให้คุณค่าประโยชน์อย่างมั้นอย่างนี้เหมือนอย่างพวกเราศึกษาเ ร, เรื่องโภชนาการเรื่องคุณประโยชน์นั่นละ่ะมันก็อันเดียวกันศึกษาให้รู้เรื่องบุญเรื่องบาปเพราะมันเกิดนั่นมันเกิดจาก เป็นอกุศลเป็นกุศลเกิดจากใจเกิดจากจิตจากความนึกคิดจากใจที่รู้ก่อนมันจึงออกไปทาเป็นกายกรรมวจีกรรมมันก็ประมวลกับเข้ามาสู่มนโนกรรมน่เรียกว่ามันเป็นขบวนการเราจะถ้าหาว่าผู้ใด ไม่ได้ยินได้ฟังธรรมะคําสอนของพุทธเจ้าเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องเหตุเรื่องผลเรื่องตายเรื่องใจเรื่องสมมุติเรื่องวิมุติเรื่องสติสมาธิปัญญาเราจะไม่มีจุดแห่งการเกิดขึ้นของ การที่จะปฏิบัติให้เป็นบุญเพื่อละสิ่งที่เป็นบาสนี่ในคำสอนประทานความเพียรสี่อย่างสติประทาน 4, สี่สมมติประธาน 4, สี่สมมตปรธานนั่นเลว่าประทานคือความเพียรความเพียรที่เป็นใหญ่ที่เป็นประธานสี่อย่างหนึ่งให้เพียร สังวรอย่าให้บาปเกิดขึ้นอย่าเนิ่คิดสิ่งที่มันเป็นบาปอย่าพูดสิ่งที่เป็นบาปอย่าทำทางกายในสิ่งที่เป็นบาปอันนี้คาแรกันว่าสังวรประทานสังวรอย่าทำบา ให้ทำสิ่งที่เป็นบุญเรียกว่าภาวนาประธานสังวรไม่ทำบาปแล้วให้ให้ทำสิ่งที่เป็นบุญที่เป็นความดีนี่ปริยัติคำสอนของพุทธเจ้าภาวนาประธานทีนี้อาหานาประธาน เมื่อบาปทําแล้วที่เคยทําให้มันเกิดมันมีขึ้นแล้วประหารประทานทําให้ประหารมันเสียประหารก็คือพยายามพยายามละพยายามไม่ทําสิ่งที่ทําแล้วนั่นก็เป็นอดีตแล้วก็เรียกว่าแล้วไปก็พยายามไม่ทําเรียกว่าประหารประหารบา ที่ทำไปแล้วคือไม่ทำต่อไม่ทำอีกนั่นเรียวกว่าประหารเหมือ น, นกันกับเราฆ่าคนฆ่าสัตว์นี่แหละสัตว์มันดุร้ายหรือคนมันดุร้ายมันไม่ดีมันจะทําโทษผู้อื่นก็ประหารเสียแต่ที่เรื่องสําคัญพพุทธเจ้า มาประหารให้ประหารจิตที่เป็นอกุศลความไม่ดีเกิดจากจิตเกิดจากการนึกการคิดคิดไม่ถูกคิดไม่ชอบคิดผิดจะเป็นเหตุให้ทำบาปหลายๆอย่างเกิดขึ้นาทางกาย กายกรรม บ, บาปทางวาจาวจีกรรมบาปทางมื้อคิทางจิตใจมนโนกรรมนี่ท่านให้ประหารประหารอะไรเหตุที่จะให้ทำบาปทำอกุศลก็ได้แก่โมหะโมหะจิตความไม่มีสติปัญญา จึงให้สร้างสติปัญญาให้เกิดขึ้นเพื่อทำลายความไม่มีสติปัญญาทำลายความไม่มีสติปัญญาความไม่รู้ด้วยการทำให้รู้ให้มีสติปัญญาเกิดขึ้นนี่คำสอนของพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้ เรียกว่าปัะหารทำลายทำลายเชื่อในเบื้องต้นเหมือนกับนายแพทย์นายหมอทำลายเชื่อของโรคโรคอันนี้มันเกิดมาเพราะเชื่ อ, อ น, นี่อันนี้เขาทำลายเชื่อเขาไม่ทำลายโรค ทำลายเชื่อมันแล้วโลกะนั้นมันก็ไม่เกิดมันก็ไม่มีโลกนี่เชื่อที่จะให้เกิดความโกรธที่เป็นอคุศนละกิจโกรธทางกิจแล้วก็จะเป็นอคุศนทางกายจะเป็นกายอคุศนจะไปฆ่าไปทุกข์ไปทาลายไป ลื่อบ้านลื่อช่องไปจุดเพลิงจุดไฟเผาผลาญเรียนชาญบ้านช่องมันก็ออกมาจากจิตใจก่อนจากความนึกคิดจากความรู้ก่อนความรู้ที่ไม่ชอบนจึงสร้างความรู้สร้างสติสร้างศีสสงลสังวอนทีน่ะ เป็นธรรมที่จะประหารความไม่รู้ประหารความหลงที่เรียกว่าโมหะจิตประหารความหลงทาความรู้ให้เกิดขึ้นด้วยปัญญาด้วยเจริญภาวนาเจริญสติสมาธิปัญญา มีประหารด้วยปัญญาประหารด้วยความรู้ด้วยเจตนาเห็นโทษของความไม่รู้เห็นโทษของความหลงผิดเห็นผิดต้องมาภาวนาที่พระเจ้าสอนมาให้เจริญศีลเจริญสติให้สมบูรณ์ สมาธิถ้าเจริญสติด้วยมีความเพียรสังวรสมาธิก็อยู่ในนั่นละ่ะว่าสมาธิคือความตั้งมั่นของใจของความรู้จะตั้งมั่นในงานที่ทำในงานภาวนานที่แรกมันไม่รู้เมื่อตั้งสติคำหนยเข้ามาให้มันรู้พุโทโธพุทโธ ไมนจะรากฏว่ามีความรู้เด่นรู้โดยไม่ได้ตั้งใจแล้วแีบใจรู้ใจรู้รอบใจนี่ จ, จะว่าสมาธิไม่ต้องไปตั้งไม่ต้องไปบอกให้มันมีให้มันเป็น ไม่มีวิธีที่จะทาสมาธิให้เกิดมีแต่วิธีทาให้สติต่อเนื่องกันเป็นสติในองค์มรรคหือรื้อลลรู้ต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องเช่นพุทโธพุทโธกำหนดรู้พุทโธฝึกฝึกจนมันรู้ว่าพุทโธกับใจ ความรู้ความระลึกรูกนะ้เนี่ยมันจะกลมเกืนฟันเฟือกันอยู่มันไม่ได้ไปสนใจกับความเก็บความปวดความเหมือนความชาความร้อนความหนาวอะไรเวลาเรานั่งสัดสมาธิอย่างเรานั่งอยู่เดียวนี่ mm hmm. อย่าว่ามันจะสนใจมันจะมีลดมีชาอยู่กับ สติและลึกรู้ต่อเนื่องกันบคำว่าพุโทโธพุโทโธพุทโธพุทโธมันจะเป็นลดเป็นชาติมันจะเป็นความนิ่มนวลมันจะเป็นความละเอียดมันจะเป็นความเยือกเย็นมันจะเป็นความเบาอะไรก็จะรู้ด้วยใจของเราเองนั่นแหละเพราะฉะนั้นเวลามันเป็นมันเกิดขึ้นมันจึงจะหาความสุขหา ว่าความเบาความสบายความละเอียดอะไรมาเปรียบเทียบอาการที่มันสัมผัสอยู่กับใจเราไม่ได้ไม่มีเพราะแท้มันจึงไม่มีปัญหาในการที่ที่จะไม่ทำบาที่จะเว้นจากการทำสิ่งที่เป็นบาปเป็นอกุศลหรือว่าถึงแม้ไม่ให้เป็นบาป ก็เป็นความเศร้าหมองเป็นความวุ่นวายที่จะเป็นปัญหาเป็นมลทินของใจที่ไปรู้ไปสัมผัสสัมพันธ์นี่เมื่อเมื่อย้อนรวมเข้ามาจริงๆเหรอกำหนดนู่พุทโธพุทโธพุทโธ ทำสติกับความรู้ความระลึกรู้คบริกรรมมันจะกลมเกืนกันมีลสมีชาติเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนี่ท่านจึงเรียกว่าสติสมาธิและปัญญาเป็นธรรมมันเดียวกันนี่คือว่าสติกับสมาธิก็เป็นธรรมมันเดียวกันปัญญาก็เป็นธรรมมันเดียวกัน ยิงว่าสมาธินี่ไม่ต้องสมาธิไม่ต้องปฏิบัติไม่ต้องไปทำหาวิธีอะไรจะให้สมาธิเกิดขึ้นมีหาวิธีแต่ว่าทำสติให้ระลึกรู้เป็นสติในองค์มรรคเห็นว่าสติสัมปชัญญะ กิจใจที่มันมั่นคงมันไม่มีความลังเลสงสัยที่มันเป็นความตั้งมั่นมันก็จะตั้งมั่นอยู่ด้วยอันหนึ่งอันเดียวกันกลมเคลื่อนกันอยู่กับสติตั้งมั่นนั่นแหะนี่ท่านจึงว่าสติอันใดสมาธิอันนั้นมีสมาธิด้วยความมีสติมีสติด้วยความมี สมาธิเป็นทำกลมกลืนกันอันนี้จะรู้จะรู้ตัวมันจะมีความรู้ตัวไม่ใช่เป็นสมาธิหวัวต่อ<ม>เป็นสมาธิที่ไม่รู้มสมาธิที่ไม่รู้มันเหมือนกันกับตอต่อไ ม, อม่แห้ง <c oughs> มันไม่รู้อะไรแต่มันก็ มันก็เป็นต่อของมันอย่างนั้นน่ะนี่ใจมันมันเป็นธาตรู้มันก็เป็นความรู้ของมันอยู่แต่มันยังไม่มีสติมากลมเกืนกันจึงเรียกว่ายังไม่เป็นความตั้งใจมั่นในองค์มรรคหือตั้งใจมั่นในการที่จะเจริญปัญญาให้เข้มแข็งต่อไป คือปัญญาเนี่ยมันต้องต้องปฏิบัติให้เกิดท่านจึงว่าสมถะวิปัสนาจเจริญสมถะแล้วก็จเจริญวิปัสนาท่านว่าทำให้มากจเจริญให้มากซึ่งสมถะและ ว, วิปัสนาสมถามันก็สติสมาธิมันคงเกินอยู่ด้วยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนั่นแหละแต่วิปัสนา วิปัสนาคือความรู้แจ้งเห็นจริงเห็นเหตุเห็นผลรู้รู้โทษรู้โทษของความไม่มีธรรมะรู้โทษของความโกรธนี่ที่นี่จึงจะได้ประหารคําว่าประหารนประทานมีความเพียรประหารประหารความโกรธประหารโมหะ ความหลงเนี่ยประหารความลงด้วยการสร้างสติให้ต่อนเนื่องกันนั่งสมาธิเข้าไปเวลาเราฝึกพุทโธพุทโธมันจะไม่ได้ถึงไหนเลยทีแรกมันก็จะไปกับเรื่องที่มันเคยชินนั่นแะคือมันจะไประลึกลู้ กับอารมณ์อดีตที่ผ่านมานหรือไม่มันก็จะไปคาดคะเนไปทําหน้าตามอารมณ์แห่งความอยากที่มันเกิดขึ้นที่ท่านว่ากามัตตัญหาภาะวะทันหาความอยากให้มีให้เป็นอย่างน้อนอย่างเนี้ม่มันจะเป็นอารมณม์เราเรียกว่าเป็นอารมณ์ของกามของกามัตตัญหา ครามคือความร้อนความดิ้นลนว่ามันเกิดแล้วจิตใจเนี่ยดิ้นลนไม่มีใครไม่มีอะไรดิ้นลนใจอย่างเดียวดิ้นลนวุ่นวายถึงแม้ว่าใจมันเป็นธรรมชาติรู้มันไม่ได้ดิ้นลนแมันเป็นอาการดิ้นลนเกิดอยู่ในใจก็ให้ใจรู้นั่นแหละรู้ ด, ด้วยความดิ้นลนของเพราะเหตุแห่ง กามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหานี่แหละฮนตัณหาคือความกระเพื่อมนี่ถ้าไม่แปลถ้าท่านแปลตรงตรงเท่าั้ตัณหาคือความทยานอยากความทยานอยากก็คือความกระเพื่อมของใจนี่แหละความกระเพื่อมของความนึกความคิดออื มันให้เกิดเป็นเวทนาท่านที่ว่าเมื่อมีเวทนาก็จึงมีทันหานเวทนาปัญญาตันห้าตันห้าปัญยาอุปาทานังอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นเมื่อมันมีความอยากในสิ่งใดมันก็เข้าไปยึดไปสัมพยุตเช่นเราอยากทำการทำงานอะไรเมื่อได้ทำตามความอยากมัน ที่แรกมันก็ไปสัมพยุตอยู่ด้วยจิตเมื่อได้ทำรร ม, มันก็ไปสัมพยุตอยู่ด้วยทั้งกายทั้งจิตทั้งวาจาไปกลมคืนอยู่กับ ง, งานนั้นๆันน่นี่เรียกาความยากเป็นความไม่ปกติเป็นความกับเพื่อมเพราะฉะนั้นจึงเป็นทุกข์เรื่ว่าเวทนาปัญญาตันหา อันหาปจยอุปา h a นังอุปด h a r ปัจจัยภ า, ภาวะให้มีภาวะแห่งการเกิดการเกิดเรื่อยๆ เ, เกิดด้วยอารมณ์ความนึกความคิดอารมณ์อารมณ์โกรธนี่มันเป็นอีกอย่างหนึง่งแล้วก็ลูก ใครๆก็รู้หละรู้ด้วยตัวของเราเองอารมณ์แห่งของโกรธเกิดมันเป็นยังไงซุนเฉียวเดียดดานเนี่ภาวะตันหาความอยากให้เป็นให้มีเมื่อไม่เป็นไม่มีก็โกรธไม่ได้โกรธความอยากถ้า ได้ถูกใจโลกเนี่ยก็อยากได้อีกอยากได้อีกเหมือนกันกันกบคนติดรสชาติอาหา ร, รเออเขาว่าอาหารนันนี่รสชาติดีพอได้ไปรับทานสัมผัสเออดีจริงจริงแล้วมันก็อยากอีกอยากสัมผัสอีกนี่ไอ้ความอยากความหลงอย่างนี้ อันเรียกว่ามันเป็นมันเป็นโมหะมันเป็นกิเลสถึงว่ามีโมหะแล้วก็ให้เกิดโทสะให้เกิดโลภะที่ทำลายเหตุหรือทําลายโมหะทําลายโมหะก็ทําลายด้วยวิปัสนาปัญญาทําด้วยปัญญาส ม, มะถะเป็นการรวม ทำสมถะให้เกิดด้วยความมีสติให้ต่อเนื่องกันจี่ว่าด้วยการภาวนาพุโทโธพุโทโธพุโทโธให้ต่อเนื่องเอากำหนดหายใจเข้าพุทหายใจออกโทลู่เนี่ยไม่ให้ความลู่เนี่ยไปลู่อย่างอื่นมันมันจะสอดไปละ่ะมันมีอาการสอดไปแต่ว่าประทานตัวลู่ประทานให้ใ ห, ให้มันแน่วอยู่กับ พุทโทหายใจเข้าพุทรู้หายใจ อ, อกโทรูร้เอาหนึ่งเนี่ยเพิ่มเข้าไปอีกเพิ่มความคาชับเข้าไปอีกหายใจเข้าพุทหายใจออกโทสองนี่ไม่ไม่ได้สอดว่าเรื่องเด็กหายใจเข้าพุทหายใจออกโธสามเข้าพุท ออกโทษีไปแต่อยา่าโกรธอย่ากโกรธอยา่าเก่งเรียกว่าอย่าตั้งสติโกรธเก่งเพียงแต่ว่าให้ให้รู้อย่างนั้นนี่ว่าให้รู้สบายสบายคือให้รู้เป็นธรรมดามีสตินี่เป็นการฝึกสติคมกิดสติธรรม เป็นทำครอบคุมจิตคือมันเป็นตัวครอบอยู่เป็นถ้าศาีษาเราก็เหมือนกับว่าเรามีหมวกเราใส่หมวกครอบอยู่แสงแสงแดดแสงร้อนอะไราสาดลงมามันมันามาปะทะอยู่กับหมวกหรือว่าเขาใส่หมวกกันน็อกใส่เครื่องครอบกันไม่อะไรกระแทกศีษะ เวลามีเศษหินเศษเล็กอะไรร่วงหล่นลงมามันก็ไม่ถึงศีษะของเรานี่คือสติครอบอยู่ไม่ใช่ว่ามันไม่รู้มันไม่นึกไม่คิดอย่างอื่นมันนึกคิดอยู่แต่ว่ามันมันนึกอยู่กับการรู้ตัวนี่เป็นประธานนี่ฝึกต่อกันพุทธโทพุทธโทไม่เผลอให้ใจเข้าพุท ใใจออกโทรลูกข้าพฟูดออกโทรลูกนับไปหนึ่งสองสามไปถ้าสิบห้าครั้งมันถ้าเราดูนาฬิกามันก็จะหนึ่งนาทีเพราะคำว่านาทีก็เป็นสมมติอันหนึ่งนาฬิกามันหมุนเวียนไปรอบหนึ่งก็เป็นหนึ่งนาที เราหายใจเข้าหายใจออกธรรมดาให้เป็นธรรมชาติไม่เล่นไม่กัน้นสิบห้าหนก็เป็นหนึ่งนาทีพอดีนี่เรียยว่ธรรมชาติํำหนดไปเรื่อยเรื่อยที่บางทีมันจะเผลอปะ่ะมันไปได้สักสองนาทีสามนาทีแล้วมันจะเผล อ, อเผลอก็รู้ เผลอก็รู้ว่อเผลอเผลอแล้วตั้งใจเข้ากาเส้าเขาอีกนี่บริกรรมภาวนาเวลานั่งสมาธิแล้วก็อธิษฐานเข้าไปอีกตั้งสติกาหนดเข้าไปอีกไม่ขยับขยือนมันเจ็บมันปวดมันมึนมั น, ม น, มนชา ก็ไม่ไปสนใจมันล่ะสนใจตั้งแต่หายใจเข้าพูดหายใจออกโทรหนึ่งสองสามไปนี่ล่ะ<ม>เดี๋ยว อ, อาการเหล่านั้นมันก็จะทิ้งของมันไปเองแรกมันก็จะเกิดขึ้นเมื่อจิตนี่ไม่ไปสัมพยุตคือเราไม่ได้เอาใจไปใส่ไปจดจอ่อ ม, มันก็เป็นเพียงสัจธรรมของเขาอันันก็ผ่านไปผ่านไปของเขาเอง เราใจไปเจาะทิ้งพุทธโธพุทธโธเอาใจมาเจาะอุ้ยเก็บวดมือนซ่ า, าเอาแน่นเรียกว่าทิ้งงานอันนั้นนหะนี่เรียกว่าสติไ ม, ต ม, ไ ม, ตมต่ต่อเนื่องสมาธิไม่ตั้งมั่นถ้าทำสติต่อเนื่องต่อเนื่องสมาธิเมื่อทำคือ สติธรรมสมบูรณ์ล่ะสมาธิก็สมบูรณ์ตั้งมัน่นสมาธิก็ตั้งมัน่นความตั้งใจมัน่นสมาธิก็เป็นสมาธิสมบูรณ์ของเขาอยู่ด้วยความตั้งใจมั่นอยู่กับตัวเองกับความรู้ของเราเน่ยถ้ามันเป็นน่ยจะรู้เองแต่วิปัสนาหรือปัญญาเนี่ย แสงสว่างแห่งปัญญาเนี่ยต้องทำให้เกิดให้มีขึ้นอันนี้ต้องต้องสร้างต้องสร้างแสงสว่างแห่งปัญญาต้องสร้างเขาสร้างกระแสไฟฟ้าเขาสร้างเขื่อนเพื่อเก็บกักน้ำ นี่เป็นสมาธิเลยเป็นการสร้างสมาธิสร้างเขื่อนให้แข็งแรงเข้มแข็ ง, ขงฝนตกที่ไหนที่ไหนไหลรวมลงมาเนี่ยน้ำมันถ้ารวมกันมากๆมันมีน้าหนักมากถ้าเขื่อนไม่ดีมันพังเขื่อนพังทะลุไปเลยล่ ะ, ะคือน้ำหนักของน้ำเนี่ยมันมาก น้ำหนักของอารมณ์ทั้งหลายนะ่ะถ้ามันรวมกันมันก็มากเหมือนกันถ้าเขื่อนคือสติเนี่ยไม่มีกําลังไม่เป็นสมาธิก็ท้านทานไม่ไหวเพราะสั้นงสมาธิสติสมาธิจึงเหมือนกันกับว่าเราสร้างเขื่อนสาหรับรองรับน้าให้มันทานน้าหนักของน้า ได้เขียนจริงไม่พังเมื่อเขียนไม่พังน้ามันรวมกันปัญญานี่ก็ต้องมาสร้างท่อสร้างทางระบายเพื่อจะเอามันไปกระทบกับใบพัดปัน่นโลหะทองแดงทองเหลืองอะไรให้มันกระทบกันมากๆมันจึงเกิดเป็นกระแสไฟ เป็นเกิดเป็นความร้อนนี่เรื่องปัญญาเรื่องปัญญาอ่าเป็นความร้อนเป็นกระแสไฟไฟจึงจะวิ่งไปตามวัตถุตามเส้นลวดทองแดงเหล็กอะไรก็แล้วแต่เป็นเชื่อของไฟเมื่อมันวิ่งไปแล้ว ทำยังไงมันยังจะออกมาเป็นแสงสว่างได้อันนี้เป็นปัญญาถ้าไม่มีปัญญาก็มีแค่คลื่นของไฟใช่ให้มีแสงสว่งางไม่ได้เขาจึงต้องมาค้นควา้าแต่ก่อนเขาก็จะมีทำหลอดมีออนหลอดไฟฟ้า หลอดลูกโปง่งแล้วก็เอาโลหะที่มีกระแสไฟเข้าไปเชื่อมกัน ม, มีขั้วบวกขั้วลบกันพ อ, เ, อเปิดสวิตช์เข้าไปเนี่ยแสงสว่างยิงจะเกิดขึ้นในในใยในใยแก้วในใยไส้ของ นีอ่อนของรอดไฟทุกวันนี้เขาละเอียดเข้าไปปัญญาไม่ต้องมีอย่างนั้นเป็นเพียงเป็นแผ่นโลหะอะไรน่เมื่อมปล่อยกระแสะไฟวิ่งเข้าไปก็แสงนวลจ้าแสงนวล จ, จ้าที่มันสว่างขึ้นเนี่ย มันไม่ใช่มันไม่ใช่ไฟแสงเนี่ยแสงของไฟที่ให้ทำลายความมืดมันไม่ใช่กระแสไฟมันไม่ใช่รวดมันไม่ใช่น้ำมันไม่ใช่เขื่อนอะไรทั้งหมดแหละแต่ขบวนการมันต้องมาจากต้องมีเขื่อนมีน้ำเมน นี่ก็เหมือนกันสมถะธรรมฝึกทาเขื่อนให้มันเข้มแข็งเรียกว่าบริกรรมภาวนาพุทธโธละลึกลู่หายใจเข้าพุทธหายใจเข้าโธหายใจออกต่อเนื่องกันต่อเนื่องกันต่อเนื่องที่แรกมันจะพูพผูพู้โ พ, พละ บริกรรมภาวนานด้วยการนั่งขัดสมาธิคือแต่งกายให้สงบแล้วเอากันเอาความเพียรเข้ามาตั้งนี่ที่ว่าสังวรสังวรประทานเอาความสังวรเพียรตั้งสติและลึกรูนนี่เป็นประทานความเพียรสังวรประทาน มเมื่อมันต่อเนื่องกันแล้วโอมันจะสบายทีแรก ม, มันจะอึดอัดมันอยากนึกอยากคิดไปเรื่องอย่างอื่นบางทีก็เหมือนกับว่ากั้นใจกดเกงแต่ น, นี่ไม่ถูกต้องให้สังเกตเวลาภาวนาสังเกตจิตสังเก ต, เ ก, ตการทั้งสติของเราขับความรู้ถ้ามันเป็นการเกงการกดการกั้นใจ อันนั้นไม่ถูกหายใจเข้าออพูดหายใจ อ, อกทหยรูสย้สบายสบายแต่ให้สังเกตให้ครอบคุมว่าไม่ให้มันแวบไปอารมณ์อื่นนั่นแหละถ้ามันแวบไปก็รู้เอามาอารมณ์ที่ให้เรียกว่างานที่ให้ทำฝึกนั่งสมาธิได้สามสิบนาทีนี่ต่อเนื่องกัน นี่ก็เรียกว่าได้สมาธิสามสินาทีนี่วิธีฝึกสมาธาิฝึกสมาธเมื่อเราเปลี่ยนจากการนั่งแล้วก็ไม่ใช่ว่าทอดทิ้งไปเลยท้อทิ้งไปเลยอันนี้มันเป็นสมาธิเป็นขณะเป็นขณะมันไม่ต่อเนื่องกันนี่ต้องฝึกเมื่อหยุดเปลี่ยนไป ไปทำงานอย่างอื่นก็ฝึกให้สติเนี่ยมันรละลึกลู่ต่อเนื่องกับงานที่ทำนั่นเห็นว่าเราจะไปขุดไปถากไปฟันอะไรก็ให้ความระลึกลู้อยู่กับงานนั่นจะไปขีดไปเขียนหรือจะไปคิดเรื่องอื่น เรื่องการเรื่องงานอย่างอื่นก็ให้สติต่อเนื่องกันหยุดพอหยุดงานอนั้นก็ให้เข้ามางานภาวนานก็มาลูกพุโทโธพุโทโธนี่เห็นห้ขั้นสมถะขั้นทำสติให้ให้ต่อเนื่องกันถ้าสตินี่มันไม่ต่อเนื่องกันมันไม่มีผลต่อ สมาธิและปัญญาเป็นผู้สติเพอเพอเลอเย อ, อยู่นี่มันมันทำอะไรก็ไม่เข้าใจไม่ไม่รู้ได้ง่ายละ่ะเราทำงานอย่างอื่นก็เหมือนกันไม่ว่าแต่งานภาวนางานปฏิบัติธรรมเนี่ยจะต้องอาศัยคนที่มีสติสมบูรณ์จึงจะทำงานนั่นสำเร็จได้ น, นีงานธรรมะก็ต้องความมีสติสมบูรณ์นั่นแหละเป็นการสำเร็จขั้นศีละสังวรแล้วเมื่อเดินปัญญาด้วยพินิจพิจารณาเพ่งถึงความเกิดแก่เก็บตายล่ะที่นี่ความเกิด ของทุกขเวทนาความแก่มันก็มีเหมือนกันในขันห่าเวทนาสุขทุกข์มันเกิดมันก็แก่มันก็ตายเป็นเหมือนกันมันไม่ได้คงเส้นคงวาดรูป ก, ก็เกิดขึ้นก็แก่ไปแก่ไปก็สิ้นชีวิตแตกดับสลายเวทนา ก็มีเกิดขึ้นแล้วก็เสือเส่อมไปเสื่อมไปก็เปลี่ยนแปลง เ, เดยวสุกเดยวทุกเ์เด๋ยวเฉยๆอยู่อย่างนั้นละ่ะนี่เรียกว่าความเกิดแก่เจ็บตายของเวทนาสัญญาก็าเหมือนกันความจำได้หมายรู้เกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันสังขาร น, นึกคิดปรุงแต่งเกิดแก่เจ็บตายวิญญาณความรับรู้รับทราบ เกิดแก่เก็บตายเหมือนกันนี่เมื่อลูกคือร่างกายเกิดแก่เก็บตายอย่างไงสัญญาสัญคัญวิญญาณเป็นเหมือนกันท่านจรงว่าธรรมชาติท่นเดียวกันท่านเรีว่าธรรมะธรรมะแห่งความเกิดขึ้นแปลปวนและสลายไปนี่ยอดยอดของการปฏิบัติธรรมเนี่ยจะต้องมารวมตรงนี้ มารวมตรงที่เจริญวิปัสนาเจริญปัญญาไม่ได้หมายว่าเมื่อเวลาเจริญปัญญานี่ต้องทิ้งศีลทิ้งสมาธิไม่ทิ้งอันนั้นอันนั้นมันก็จะเรียกว่าเมื่อเรามาเจริญวิปัสนาด้วยความมีสติและปัญญาและสมาธิ ตั้งใจมัน่นก้มคืนกันอยู่มันจะเหมือนกันกับเขาเขาเพิ่มไฟในใดใดไดนาโมเขาใดใ ด, ใดที่เก็บไฟของรถที่แรกเอาจากที่อื่นซะก่อนเอาจากที่อื่นมาชาร์จเข้าไป พอมันมีแล้วติดเครื่องของมันติดเครื่องของมันมันทํางานรถมันก็หมุนมันก็วิ่งไปของมันไฟมันก็ชาร์จหมุนกลับเข้ามาในที่เก็บของมันนี่จึงว่าสติสมาธิไม่ได้หมายความว่าเวลาเราจะเลือนปัญญาเนี่มันจะไปทิ้งสติสมาธิมันไม่ใช่ จเจเินปัญญาวิปัสนามันก็ต้องใช้สติสมาธิโห น, นกันอยู่นี่นี่มันจึงเป็นการโห น, นกันเหมือน ก, นกันกับเราชาิไฟเข้าใดไฟรถนั่นแหละวิ่งไปเครื่องของรถทำงานไฟก็หมุนกลับมากับใดชันเวลาหยุดเครื่องมันก็มีไฟเก็บอยู่ในนี่ นั่นะเวลาเราหยุดเวลาหยุดเดินวิปัสสนาก็เรียกว่าเข้าสู่ความสงบมีสติกับสมาธิทำงานอยู่ด้วยกันเท่านั้นสงบในสมาธิในภะวงแห่งสมาธิอปปนาสมาธิน่นก็เรียกลงไปถึงจิตที่ไม่มีการนึกการคิดอะไร เรียกว่าขันห้านี่ไม่ได้ทำงานเดี๋ยวอยู่เฉพาะใจล้วนๆ น, น, นั้นเรียกว่าพักอยู่ในอัปปนาสมาธินี่เมื่อเราฝึกในเบื้องต้นนี่แหละในเบื้องต้นเรีว่าฝึกก็อสำคัญให้สติต่อเ น, นื่องกัน ครบาอาท่านฝึกเอาอันเชงว่าเอาคำวลีรมเป็นที่ตั้งนึกบริกรรมจะยืนเดินนั่งเข้าที่นั่งเอาเวลามันเก็บมันปวดคบริกรรมมันก็กลมกืนกันอยู่นั่นสติสมาธิกลมกืนกันพิจารณากันสุดท้ายสติก้าท่านเรียกว่าครูบาจารย์ท่านว่าถ้าสติมันกล้าก็เรียกว่าสต สมาธินี่มันมั่นคงมันไม่ ง, อ น, งนอนแงนคอนแคลนต่อความสุขความทุกข์ทุกขเวทนาสุ ข, ขเวทนาไม่ ง, อ น, งนอนแงนคอนแคลนต่อความเกิดความดับนี่เพราะเพราะสติก้านั่นแหะสติก้าสมาธิตั้งมั่นน้อมพิจารณาก็เป็นปัญญากล้า ครูบาอาจารย์ท่านจึงมักสอนว่าทมสตินี่ให้มันกล้าคือภาวนาเนี่ยพุโธพุโตให้มันสติมันต่อเนื่องกันเมื่อสติมันกล้าเรื่องทุกขเวทนาเก็บปวดขึ้นปวดก้นปวดขาอะไรนี่ก็เอาบัตอธิษฐานมันก็มั่นคงเข้าไปมันก็กล้าตายได้ ท่นพอสติก้าสมาธิก็ถ้าตายเอาตายเป็นตายตายเป็นตายตายเป็นตายที่แรกพิจารณาเก็บก็ไม่ใช่เราเก็บใจก็ไม่เก็บใจก็ไม่ปวดเอามันทุกข์มันเจ็บปวดมากขึ้นมากขึ้นจเป็นเหมือนกับไฟ โอ้ยจะตายใจจะขาดแล้วตายก็มันตายเขาตายที่เีกว่ากำหนดตายกำหนดตายพอมันตายพุกหนึ่งนั่นเรียกว่ามันลงสมาธิกิจมันมันวางสัมพยุทธ์กับเวทนาวางความสัมพยุทธ์ที่ว่าเราเก็บเราปวด มันไปลงมันไปเหลือแต่ตายคือทอดทุละตายตายเพราะมันลงไปหาตายมันก็ลงเลยไปจนมันวางวางตายจึงไม่มีตัวไม่มีตนคำว่าเก็บว่าปวดก็ไม่มีมีแต่ความไม่มีตัวตนท่า น, นว่ามีแต่ความว่างว่างจากความเก็บความปวดว่างจากความเป็นตัวเนตน มีแต่ความรู้ว่าว่ามนันก็เป็นความสบายที่นี่เป็นความเบาความสบายแต่มันก็ไม่ว่าเบาไม่ว่าสบายในขณะกิจนั้นแต่มันรู้ว่ามันไม่มีอะไรมันก็รู้อยู่ว่าต่กอนมันเก็บมันปวดจนสละตายทีนี้มันมีอาการเหล่านั้นมันไม่มีเลย มันก็เป็นความว่างความสุขความเย็นอะไรก็เป็นของเขาในนั้นอยู่จนนั่นแหละถึงสมควรแก่ความแน่แน่ของเขาเขาจึงจะเปลี่ยนอาการออกมามามีตัวมีตนมีรูปมีกาย แต่สติแล้วลึกรู้กับความลู่นะ้มันไม่ได้หายไปไหนเลยมันก็ทำงานเมื่อมันมีกายมันก็มีความลับลู้อยู่กับกายเมื่อมันลู้ว่ากายนี่มันไม่เป็นอะไรมันเป็นสมมุติเพียงเป็นธาตุ มันก็รู้มันก็เห็นอยู่เห็นความเป็นธาตุเห็นความเป็นสมมติมันก็ไม่ได้เป็นทุกข์เพราะความว่ามีกายกายแก่กายเก็บกายปวดกายขี้ไร้ขี้เหลหรือกายสวยกายงามอะไรมันไม่มเีเพราะปัญญามันทำหน้าที่รู้ความจริงแก่แจ้งนี่วิธีของ ของปัญญามันจะไปทําลายความความมืดความไม่รู้เมื่อมันเป็นแสงสว่างไอ้ไอแสงสว่างมันมันเป็นแสงสว่างแห่งปัญญานั่นแหละอุปมาเหมือนกันแต่ว่าแสงไฟนะความสว่างเนหะมือนกันนั่นหนึ่งที่นี่เมื่อแสงสว่างแห่งปัญญาอันนี้เกิดขึ้น การที่จะต้องไประวังไม่ทําบาปไม่ทำกรรมทําอกุศลอนนี้อันนั้นอันนีน้มันไม่ต้องไประวังกันน่ยมนไม่มีละมันไม่มีที่จะทํามันไม่มีที่จะเกิดขึ้นสังวรระทานนี่พูดถึงเรื่องความเพียรที่แรกต้องสังวรแล้วก็ภาวนาประทาน เพียรทำความดีเพียรภาวนาเพียรทำสติให้ต่อเนื่องกันปหา น, านัาประธานบาปอกุศลมันก็เป็นสมมติอันหนึง่งที่เกิดขึ้นทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจมันก็ไม่ทำอีกไม่ทำอีกและไม่ยินดีไม่มีความยินดีในการที่จะกระทำ นี่ท่านเรียกว่าตัดกรรมตัดกรรมในจิตตัดอคุศนกรรมในจิตจึงไม่มีอคุศนกรรมทางกายทางวาจาเนี่ยมันจะตัดได้ด้วยภาวนาด้วยปัญญาอย่างนี้ปหาณประทานอนุรักษณาประทานมันก็จะรักษาตั้งแต่ สิ่งที่เป็นกุศลมันจะรักษาสติสมาธิและปัญญาที่ได้เจริญให้เกิดให้มีขึ้นแล้วเขาก็จะล่อเรื่องของเขาไปเองไปเรื่อยๆเหมือนกันกันกบกระแสไฟที่ว่าเกิดจากไดานา ม, มเวลาเอาไปใช้เครื่องยนต์รถมันเครื่องยนต์รถมัน เดนมันปั่นไปมันก็ชาร์จกลับเข้ามาเนี่ยเขาจะอาศัยซึ่งกันและกันอยู่อย่างนี้เพราะท่านจริงว่าแต่มันก็เสื่อมเป็นมันก็เป็นสมมติคําว่าสติสมาธิปัญญาเนี่ยนั่นเป็นสมมุตินะอันนี่มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจเจริญ ให้มีความเข้มแข็งให้เป็นสติวุตให้เป็นอาวุธให้เป็นดาบกล้าสติเป็นดาบกล้าสมาธิเป็นดาบกล้าปัญญาเป็นคมของดาบที่กล้าแข็งสับฟันอะไรต่างๆให้จบสิ้นไปแล้วให้มันตายไปสับฟันความโลภโกรธหลง สิ้นสุดไปแล้วมันก็หมดหน้าที่ของเขาส่วนใจที่ไม่มีทุกข์ไม่มีเศษเชื้อแห่งความโลภโกรธหลงจะมาเกิดขึ้นอีกเกิดขึ้นไม่ได้หมดหมดเหตุหมดเหตุหมดปัดจจัยที่จะให้เกิดบาป คำว่าบาปอากุศลก็เป็นสมมุติคำว่าบุญความสุขเป็นสมมุติเนื้อบุญเนื้อบาปเรียกว่าความบริสุทธิ์อันนั้นเนือสมมุติความบริสุทธิ์ของใจนี่เราประพฤติทำปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงความบริสุทธิ์ของใจในเบื้องต้นนี่ก็เพื่อบุญอ เราลึกเอาอธิษฐานเาราเราพิสปฏิบัติเพื่อให้ได้บุญถ้าได้ความสุขความสุขเกิดจากความมีสติความสุขเกิดจากความมีสมาธิมีปัญญาความสุขเกิดจากการไม่ทําบาปนี่ต้องฝึกหัดปฏิบัติอธิษฐานทําให้เกิดให้มีเมื่อมันสมบูรณ์บริบูรณ เต็มที่จนถึงขั้นสุดยอดดังที่กล่าวมาแล้วนะอันนั้นมันก็ไม่มีความอยากอะไรมันก็ไม่เอาอะไรมันถึงวาระว่าไม่มีอะไรไม่เอาอะไรไม่เป็นอะไรแล้วทีแรกต้องเอาเสก่อนต้องทำให้มีให้เกิดให้มีขึ้นนี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งของการปฏิบัติธรรมะ คือทาให้เกิดขึ้นซึ่งสติสมาธิและปัญญาเกิดขึ้นที่กายที่ใจนี่ละเพราะกายใจเป็นมหาเหตุนี่ให้เข้าใจศึกษาธรรมะตามคาสอนของพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนเพียงว่าให้ทาทานไม่ใช่ว่าการให้ทาน การสระสิ่งของวัตถุต่างๆจะทำให้ความโลภโกรดหลงทำให้ทุกข์สิ้นสุดไปไม่ใช่ยังไม่ถึงท่านนั่นเป็นการผ่ อ, อนปลนในเบื้องต้นก็ทานศีลภาวนาให้ปฏิบัติ คำว่าปฏิบัติคือก็ต้องให้ให้ทานต้องเสียสละถ้าไม่เคยเสียสละนี่เรียกว่าไม่ปฏิบตัติมีสิ่งมีของอะไรจะแก่จะ แ, แบ่งจะสงเคราะห์ก็ไม่สงเคราะห์ไม่ให้มีมาได้มาแล้วก็มีแต่เก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้กลัวแต่มันจะหมดจะสิ้นจะเปืองเก็บไว้ใช่กลัวแต่ตัวเองจะไม่มีไม่ได้ใช่ อันนี้เรียกว่าไม่มีการปฏิบัติทำในขั้นให้ทานเมื่อมีมาแล้วได้มาแล้วอันไหนคนจะสงข้อสงหาช่วยเหลือเชียจูนแบ่งปันก็แบ่งปันอันนั่นเรียกว่าปฏิบัติศีลสังวร น, นี่ตั้งสติฝึกสติ เว้แนแต่ก่อนไม่ได้เคยเว้นอะไรจะฆ่าจะทําลายอะไรก็ทําไปเลยมีอะไรจะเอาอะไรอยากได้ก็อะไรก็ไม่ได้คิดว่าเป็นของผู้อื่นหรือของมีเจ้าของหรือไม่มีจะเอาก็หยิบไปเลยช่วยไปเลยหรือบางทีก็ลู่อยู่ก็เอาเพราะความอยากได้อันนั้นเรียกว่าไม่ปฏิบัติ เมื่อมาสังวรระมัดระวังอยากได้เจ้าของเขาไม่ให้ไม่อนุญาตเาไม่เอานี่เรียว่าลงมือปฏิบัตินี่เรียกว่าปฏิบัติทานปฏิบัติศีลปฏิบัติสติสมาธิปัญญาก็ามาเจริญดัทงที่กล่าวมาเมื่อผู้ใดปฏิทิรรมปฏิบัติธรรม ผลประโยชน์ก็จะเกิดขึ้นเรียกว่าปฏิเวทคือผลก็จะได้รับความอยู่เย็นเป็นสุขสุกกายสุขใจเป็นผู้ไม่มีโทษไม่มีภัยด้วยการให้ทานรักษาศีลจเจริญเมตตาภาวนานมันจะตัดกรรมด้วยปัญญานู้นสุดท้าย ท่านเนีว่าตัดกรรมชรัูวและวิบาขันคือพระอริยเจา้าพระอรหันตคินาศเจ้าทั้งหลายทั้งพวงนั่นหละท่านตัดกรรมได้ขาดทั้งกรรมดีกรรมชั่วไม่มีเหลือแต่ธรรมชาติเหลือแต่เอกจิตจิตเป็นหนึ่งอยู่เฉพาะจิตเอกระรรรความรู้เป็นความรู้อยู่เฉพาะใจ นั่นเรียกว่าทำลายเชื่อสิ้นเชื่อสิ้นเชื่อแห่งภพแห่งชาเพราะทำลายอาวิชชาด้วยปัญญาปัจยการมหาประธานปัจจยการอาวิชชาปัจญาสังขาราสังขาราปัจญาวิญญาณัง ท่านก็บอกตรงตรงอยู่แล้วคําว่าอาวิชชาก็คือความรู้แต่ไม่รู้ตามเป็นจริงว่าความไม่รู้ตามความเป็นจริงอวิชชานั่นก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยอวิชชายะตเววาเซซวิราคานิโรธาสร้งางฆารันิโรโ ท, ทําความรู้แจ้งรู้ตื่นเบิกบานให้เกิดขึ้นในใจเท่านั้นแหละ คำว่าอาวิชามันก็เปลี่ยนเป็นวิชาเปลี่ยนเป็นนิโรธเป็นนิโรโทรนิโรโทรไปเลยก็ดับทุกข์ดับทุกข์ดับทุกขนะ์ทุกข์ไม่มีทุกข์ไม่มีตั้งแต่ขั้นากิจที่เกิดญาณแห่งปัญญา น, นี่แหละเห็นอ น, นิจจมทุกขังหน้าตา สภาวะธรรมทั้งหลายหรือสมมุติทั้งหลายเป็นสภาพแห่งอันนี้จงทุกขังหนัตตาเท่านั้นแหละทุกทั้งหลายไม่มีปรากฏในจิตแต่ก่อนมันมีเมื่อมันเห็นสมมุติทั้งหลายตามเป็นจริงเลยอันก็ไม่มี มีมันก็มีโดยสัจธรรมของเขาทุกเพราะเก็บเพราะไข้ทุกเพราะปวดหนักปวดเบาทุกเพราะหิวข้าวหิวน้ำมันเป็นธรมรมดาของเขาทุกเพราะความเห็นผิดคิดผิดเพราะอุปทานเข้าไปยึดผิดลง ผ, ผิดมันไม่มีนะมันจบสิ้นกันตั้งแต่ขณะสติสมาธิปัญญาประชุมรวมลงป็ ญ, ญาณทัศนะ คือเป็นแสงสว่างแห่งปัญญาณบริสุทธ์แล้วมันจบกันตั้งแต่ขณะจิตเดียวนั่นการประพฤติ ร, รมปฏิบัติธรรมมีประโยชน์มากพระพุทธองค์พระบรมศาษษษสดาสมมาสมุทรเจ้าพระองค์เคยทุกมาแล้ว เคยทุกมาแล้วเคยโลภ เ, เคยโกรธเคยหลงเคยแสวงหาความสุขในความทุกมาแล้วแต่มันไม่จบไม่สิ้นเมื่อพระองค์มาพบความจบสิ้นตามหนทางที่ได้ประพฤติปฏิบัติอันถูกต้องก็นํามาประทานแก่พุทธบริษัททั้งหลายให้เจริญให้ปฏิบัติให้เป็นผู้มีทาน การให้การแจกแบ่งให้เป็นผู้มีศีลสังวรเว้นจากการทำบาปทางกายวาจาใจแล้วก็ให้ฝึกสติปัญญาเพื่อทำลายก็สมุธฐานแห่งความหลงให้มันจบสิ้นลงไปด้วยปัญญาแล้วก็อยู่เย็นเป็นสุขตลอดอนันตการยังได้ อธิบายธรรมะนำพาปฏิทธรรมปฏิบัติธรรมด้วยการปฏิบัติจิตภาวนาคือปฏิบัติต่อจิตใจด้วยการสร้างสติธรรมสมาธิธรรมและปัญญาธรรมเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็ชงโอปนญิโกน้อมนําไป เป็นผู้มีความเพียรประพฤติปฏิบัติอย่าท้อถอยเพืเอ่ อ, อ, อจะเอาชนะความหลงที่มันมีอยู่ในจิตของเราหลงรักหลงชังหลงมีความสุขมีนั่นมีนี่จะมีความสุขอย่างนั้นอย่างเนี้มันเกิดเพราะความหลงนี่แหละให้เห็นโทษแห่งความหลงแล้วฝึกฝนจเจริญสติให้ต่อเนื่องอันดับแรก สติต่อเนื่องกันจึงเป็นสมาธิถ้าสติไม่ต่อกันเนี่ยขาดว่าขาดตอนเหมือนลูกโซ่สายโซ่ขาดกระท่อนกระแท่นเราจะไปผูกไปมัดไปรัดอะไรมันไม่ได้ประโยชน์ทั้งนั้นเลยต้องจํามาต่อกันให้มันเป็นสายเดียวกันก่อนนี่จึงว่าเมื่อสติต่อเนื่องกันนั่นแหะจึงเรียกว่าเป็นสมาธิ กิจมีสมาธิพป็นฐานเป็นอิสระในตัวเองแล้วมันแยกแยะพินิจพิจารณาความสุขความทุกข์สัญญาสังขารวิญญาณความรู้ความห ล, ลงงั้นที่มันมีให้เราลู่ๆอยู่นี่แหละมาแยกแยะมันเห็นตามเป็นจริงว่าสิ่งเหล่านี้เขาก็เป็นอย่างนั้น ว่าเห็นความจริงแห่งสมมุติตามความเป็นจริงจริงจะพ้นจากสมมุติจึงจะเป็นวิมุตติญาณทัศนะแจ่มแจ้งด้วยญาณแห่งปัญญาแล้วเราจะสมบูรณ์ฟูนผลด้วยธรรมะได้จะพูดว่าความสุขความสุขด้วยธรรม สุขไม่ตายนั่นแหละเรีว่าสุขไม่เชือผลด้วยอมิตรไม่เป็นนิรามิสสุขนิรามิสสุขความสุขเชื่อผลด้วยอมิตรความสุขที่ยังมีความหลงอยู่อมาตะสุขความสุขที่ไม่ตายเป็นความสุขที่ไม่เชื่อผลด้วยความหลงได้ยินได้ฟังแล้วโอภนาที่โกน้อมเข้าสู่จิตสู่ใจ ตังกิตตั้งใจระพืติปฏิบัติต่อแต่นั่นไปก็จะประสบพบความสุขความเจริญในศาสนาธรรมคมสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแาบนาแทงพุทโธธรรมโมสังโฆบุญคุศล ง, งามความดีจงรวมเป็นพระรกำลังหนุนนำให้วงจิตดวงใจของพวกเราท่านทั้งหลายตั้งอยู่ใน ความเป็นสมาธิธปัถนาสิ่งใดเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมแน้วจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อจงทุกท่านทุกคนเธอ สัพพิจิโยวิวัสันตุสัพโรโควินัสตุมาเรภวัตวันตรายโสขีทีขายุโภวะทัพิวาธนาสีริสะนิจังมุทาปชายยโนจัตโลธรมาวทันติอายุวโนสุขังพระลัง ไม่ยังไปสิถามอย่างอีกบดสนธนาธรรม <laughs> สนธนา น, นี่วันนี้เห็ดฉันเัในสตินี่มันสิต่อ อ, อันยนังสิบกสเป ส, สปะขันสติขันสติสเป ส, สปะอันไห้ยินเสียงอยง ว่าม um ันเขาก็ไ ah. ่ได ah, ้ว่าพื้นเรอย่างเขาดอกแต่ว่าพอได้ยินเขาหมมาเขาไปสมมติรถโกรถเรบาสปลาท่อรเร่เนี่ยคือคือสติมันต่อเนื่องถ้าสติต่อเนื่องกันจฉพาะเ็นมันสิลู้เหตุผลต่างๆอม่าไปแล้อว่ามาไปไปได้ ไอ้พ่อนเลยล่ะห้อนหายแล้ ว, อ, อ, ลวอื่นยังรับอีกสซบาตเอาแกเพิ่ล้เอาเอาท่าแกว่ามั น, มนงพน้าบ้านี่เป็นปีสองปีสามปีแล้วยังพ้นได้ยันนี่ลพอฟลังฟลังผู้หนึ่ง คนซื้อมิสเตอร์บิลขาเง้วผู้เท่าฝรั่งงนสูงขาเง้วมาไ ป, ไปขออยู่วัดนํ่ให้ขออยู่วัดนั่สอนให้นั่งสมาธิแล้วบัดให้คัดสมาธิคนเคยนั่งถ้าตามเก้าอี้ตามเอาฝึกนั่งฝึกนั่งสมาธิบ้างเยฝึกนั่งคัดสมาธิฝึกไปฝึกมานัง่ง นั่งไดลนั่งสมาธิเป็นนั่งสมาธิงามอนชนมาพวกเจ้าพูดเท่าสมมอนว่าใคร น, นั่งสมาธิเป็นได้นัง่งคัศมาดื้อๆเล้ขาเขามัยืดยังอๆคาสมาทีมันต้องซ่อนขัวซ่อนไส้ขาขั ว, ขวทับขาไส้ฝรัง่ง อันนี้บิวเนี่ยเล่าเล่าฟึกนได้แล้วเราพอว่าหนาจิตจิตเล่ากับเป็นสมาธิขณะจิตเป็นสมาธินี่มันสิเกิดความสว่างของจิตเรียก ว, ว่าใจจิตนยมันสีฮวงมันสิสว่างแต่เวลาเราพูดสื่อนี่มันอันบวกเขาใจข้อหมายสี่สีสีสสส่ให้เข้ารับรู้ วันในในั้นจิตของเพนนะมันเป็นมันเป็นแสงสว่างใบมันมน้องตางโยมไม่เห็นนามมุ่นไม่ออกคูคูประสติเหลียงห่อนะคูประสติเหลียงว่ามาเห็นนามมุ่เพราะชุดเทียนเทียนยอนน้ามาคูมันจะเป็นสว่างแล้วมาวมาซีเริ่มมาซี่คูนในใจเราเป็นน้ำสี่แล้ว <laughs> ใจเราเป็นยังสีละอันว่าแสงสว่างแสงของใจใจที่เป็นสมาธิใจที่สงบเหมือนกับในภาวนะหลวงปู่ ม, มันเพั่ปไปสอนกะเรียงว่าก็เลียงเขาภาวาน้าจิตเขาหฮงพอสว่างเขาก็สามารถที่ว่าเขากำนดไปหา หงปูมั น, นกิดของิของตูนงงบบ้นี่โงสว่างข้อเบิร์ตน่ <c ười> อันนั้มันเป็นผลคือมันจะเป็นมันจะรู้มันจะเห็นนั่นสนละถ้าสติเข้าต่อเนื่องกันได้แล้วก็กิดมันเป็นสมาธิแล้วอันนี้แหละจังว่ห้องเรามาฝึกกันเนี่ย บ่ต้องไปว่าเออสิบพอวันหนาเอาให้ได้นิพพานไปนิพพานไสหลอกบ่ต้องเอาเอาเนี่ยเอาให้สติมันต่อเนื่องกันกับพุทก้คมกืนกมกืนกันแต่กรอ น, นี่วงตาเนี่เคยเคยล่องเคยล่อมกำหนดไปอ่านเอาวัดไม่ๆตอนเป็นฝาขาวอยู่ลนละ ไปอ่านหนังสือแต่กี้มันบอกใครมีเทศหนังสือหอกมันมีหนังสือของอาศาสนาอาจารย์ทหารอนุศาสาศนาอาจารย์ทหารบอกนะอย่าหนังสือพุทธศาสตร์กองอนุศาสาศนาอาจารย์เขาเสีเอาธรรมะไปร้องเขาเอ า, เ, าเอาธรรมะของเออ้องตามาหัวเขานี่ยในโลง ธรร ม, มานุธรร ม, มะปฏิปโนโหธร ม, มานุธร ม, มะปฏิปโนโหติการประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมแล้วก็ปัญญาอบรมสมาธิเไปอ่านวนเันว่าสติกับคำมลิกรรมมให้มันเผยแจกกันกพ็พุโทโธพุทโธ จะทำมันได้อันใดแม้มถ้าขาณะคิดหนึ่งบอให้มันเผยอย่ากันก็ไปล่องไปล่องไปกําหนดภาวนานย่ามขวดตาดพระตาดอันยามมันเท้าเดินยมคมเนี่ยเขาไปกําหนดแต่เขาไปทางเดินยมคมเราก็ไปยืนไปน้อมมืออธิษฐานเวลาเดินยมคมเนี่ยทางเดินยมคมเนี่ต้องให้ให้ยาว สิบหาา้าเก้าเก้าไปพื่อดีมันมันมันจึงคอยบมเวียนหัวที่แรกแล้ากนไปเดินสันสันเดินไปเดินมาหัคันไหนพื่อสิบนาที่แฟนดินหมุนอะมันมันก็คือห่อคือห่าหมุนห่อหมุนออมมันจะเวียนที่แรกก็เข้าใจแหลบัดบัดบัดแต่มันเป็นก็จะคของหรืจึงจึงเข้าใจ อย่างไรทังเดินชมกลมตรงๆฟุ้เท็ดตรงๆยังอยู่วัดป้าบรรายฝันเอาระดับหน้าหมดเลยใส่เทตะวันตกตะวันออกเดินชมกลมถ้าเดินขับไปคํามานันๆนเนี่ยถ้าเดินไปตามตะวันเน่ยมันมั น, ม, น, ม, นมันจะโล่งมันจะรู้ซึ้ว่าโล่งมันเป็นเพราะยังก็เพราู้จักมันสิมันจะโล่งดี ถ้าเดินขวังมันมันจะบกมันจะบวโลกจิตใจจะบวกลงบอกลงกระเหมือนกันแล้วก็ประวัติพระผู้ทธเจ้าผู้ทธเจ้าฝันได้อยาค่าแปดกรรมเมือ่อยากสดทิยภาพมากล่ะพระองค์ก็ได้อธิษฐานว่าเอาจริงเอาจังละเมื่อนี่ในวันนี้พอไปเสียงถาด สันเขาถาดใส่ทองค่ำใส่เข้ามัตุพยาติของนั่งสุสดาสี่สิบเก้ากอนสันเบิดเรือนั่งสุสดาก็ถวายทั้งถาดเอาถาดนี่ไปอธิษฐานถ้าหาว่าข้าพเจ้าจะบรรลุพธทญาตให้ถาดนี่ไหลท่วนกระแสน้ามถ้าจะไม่บรรลุ ไม่ทํำที่สุดแห้งทุกได้ให้ไหลตามกระแสน้ำอธิษฐานว่างถาดลง น, น, น่มันมันมันละบุญเรืออันนี้สงเอยยังกันแล้วแท้ละ อ, อย่าวัาแรกอธิษฐา น, นน่ะก็บรรดาลถาดนมันจะร่อยท่วนกระแสน้ำไปได้ก็มีความมั่นใจพระองค์มีความมั่นใจ พอสนเวลาตอนเย็นมาได้ยาฆ่าแผลกำมือจึงนึกถึงว่าเคยเคยกำหนดล่มหายใจเข่าหายใจออกตั้งแต่ขั้งเป็นกูมานที่นี้เอาอยาแผลกำมือไปไปถึงต้นสีมหาโพ่อต้นสีมหาโพ่นี่ก็เกิดวันเดียวกันอายุสามสิบห้าปีอายุสาสิบหาปีอายุตน้นพ่ ก็พ่อเป็นอมเป็นลมอาศัยได้ไปไปอธิษฐานว่าจะว่างจะผินนาผินพระพักไปทถ้ำใดว่างท่ามทิศใต้ทางทิศใต้ว่างไปทิศตะวันตกก็รู้ื้อว่าไม่โลง่งไม่ปลอดโปร่งว่างไปทิศใต้ว่างไปทิศเหนือ พอมาว่างไปที่ตะวันออกตะวันออกเนี่ยอายุต้นสีมหาพ่อมืก่กี้สิเป็นแม่นาม้านิรันชลา่าดีว่าผินผินดนาไปสู้แม่นม้ำนี่รันชลา่าไปตะวันออกรู้ซึ้ว่าโลง่งในพระไทยเบิกบานดีนั่นแหละฟังจะงเดียอธิษฐานว่าถ้าหาว่าไม่ได้บรรลุพ่อทียานเนี่ย กะยอมตายอยู่กันี่คือที่นี่เป็นที่ตายเลียดเนื้อเสื้อไขจะเหยียดแห้งจะตายยังไงก็ตายอยู่ตรงนี้ยจะไม่ย่อมย่อมไม่ย่อมลูกไม่ย่อมขยับขยื่ยนจากที่นี่นั่นแหละว่างลงลเลยพระองค์ยังเลยขัดสมาธิเพร ท, ที่แรกพันขาดสมาธิเพรทเนีเอาขาซ้ า, ายเข็นมาทับขาขวาสัากวันนึงเอาขาขวาทับขาซ้ า, า, า, าย ตั้งกายตรงแบบพระสมาธิเพ็รอธิษฐานเนี่ยเนี่ยก็เอาเกำหนดร่มหายใจเข้าหายใจออกอันนาปานสติที่นี่กิดของเฮาเนี่ถ้าคำนดณแล้วถ้ากิตมันมันร่วมลวงเป็นสมาธิ เ, เรียกว่ากิดสงบมันว่างมันจะสบา ย, ยที่แรก มันจะสบายมันจะไม่เก็มไม่ปวดบางคนเนี่ยบางคนนี่ยโบแก้มโบ ป, ปวดเลยล่ะนั่งเฝ้าเขาไปนี่สี่หานะที่คิดสงบสว่างสามารถสืบสู่เห็นคล้ายๆว่าตาใจเนี่ยมันสิเห็นตานี่มันก็บอเห็นอะนั่งรับตาอยู่ตาใจเนี่ยมันสะเห็นไปทั้งหน้าทั้งหลังเห็นทัวไปเวิดดี เห็นอนะ่ะมันก็จะมาเห็นสมมุตอยางว่าเห็นหลวงปู่วนยัง่งในพระบาทเพืนพ่นเพือนนงยู่นขุด ต, ตีนนี่หลังค้ามุ่งแปนเพื่นเห็นเห็นจะนับว่ามันมีเจ้าแผ่นมุ่งอยู่หลังค้าเนะนี่ยในในในในจินสงบเลยเห็นแล้วอ่มันก็ว่านับนั บ, น, บ, น, บ, น, บนับมันก็จาได้ดีมันก็นับได้เร็ว โอามีเท่านั้นแผน่นแป่นมุ่งลังค่าคุตติลังเนี่ยหรือว่ายางหลวงปู่สิมที่หลวงปู่เปนเทระกระดูกไม่อยู่สามร่อยทอนเพราะมันสงอของมันมันจะเห็นเห็นกระดูกน้อยกระดูกใหอยกร น, นับได้นับได้มีสามรอยทอนึ้นแม่ทำล่าจริงๆยังสิง่ละอันนี้มัน ถ้า้ากิดของเฮ้ามันร่วมลงไปก่อนมันสิเก็บมัปวดพุ่นละมันสิเก็บปวดก็ต่อเมื่อมันถอนถอนจากนั้นถอนออกจากข้อมสงบเลยสมาธิอันนั้นบ้าระบาดมันสิปวดเนี่ยบ้านอันสิปวดเนอ่ยบานอันสิปวดมันสิปวดมันสิเก็บคำมันปวดละเฮ้าก็สิอยากแต่สิให้มันเป็นคือ คือตอนมันเป็นนั่นนี่ที่แรกนั่นนี่ที่นี่บางคนเนี่ยมันจะพอเป็นยานบางคนเนี่ยมันสิต้องสู่ตายซะก่อนมันยังค่อยสิไปลู่เรื่องอะไรคิดสงบคิดเป็นสมาธิอุปจราระสมาอุปจระอปาปัญญาที่เรื่อไปเห็นอันนั้นเห็นอันนี้เนยเกิดความลู่ข้อ ม, อมเห็นข้อมมันมันข้อมจํามันเป็นข้อมลู่ไปหล่นนี่มันจะเป็นสั้น มันนคันมันคันพูว่าเป็นจะปวดจะเจ็บปวดห่ออันนี้แบบนี้ฟันเรียกว่าทุกข์ขาปฏิปทาทันทาพินยาทนทรมานต่อข้อมทุกข์มากไม่รู้ได้ทราบเนี่มันมันจะเป็นมันจะเป็นคลองไผ่คลองมั่น เพราะฉะนั้นภาวนาเพื่อให้สติต่อเนื่องกันแล้วกะ็เดินเวลาเดินปัญญาเวลาหอบพิญญามันจังค่อยสี่เดินไปเป็นปัญญาในรรมมันที่เห็นขันหาเนี่ยเห็นกายเห็นจิตนี่ไม่ใช่ตัวตนนี่มันยังค่อยมันยังค่อยสี่จบ มันทีจบเรื่องปัญญา <c oughs> สมาธิได้แล้วสตินี่มีแล้วได้แล้วเอามาใส่อันนี้มันจังคอยเสีพบพร้อมสุขที่บกเจียปนด้วยถูกโดยผิดพัยผู้ลังค่นมเขาใจยังมานนี่ลองตา ม, มาขึ้นเคี่ยงอุตภเพานิยมเพื่อนมาถาม เขาก็บอกว่าเขาปฏิบัติเขาภาวนาเขาว่าเขาทำท่านให้ท่านอะไนี้เยอะแต่บานนั้นย่มยีคนมาพูดอย่งนี้มันสิโกรธเล้วแล้ววะมันสิจิดมันจินจโกรธเล้ยวดวงตาแจา้งเลยว่าเอมันท่านอ่ะมันเป็นเนวนืงมันก็ละอานวะอันนี้หลวงปูอ่อนมันเคยสอนเด้ยอยคำว่าแก้กรรมกรรมนี่กรรมในจิต ม, นมโนกรรม แก่ตองปูอ่อนเพื่อมาแก้กรรมต้องแก้ที่จิตคือให้ฝาวันหน้าทำจิตให้มันเป็นสมาธิให้มันเกิดปัญญาในจิตนี่ให้ได้สการน่มันยังคอยสีว่างมันยังคอยเสียบกโกรธบลโลบโลบลหลงเนี่ยมันยังคอยสียมาแก้กรรมมันนี่ได้ความเข้าใจของเพิ่อนมาเพื่อนทำท่านอยู่ปเป็นอยังเพื่นยังโกรธเนี่ยมันโกรธ โกรธโลภหลงสามอย่างนี่แหละบางคนก็บออทำบุญทำท่ า, ทานอยู่คือบอร้ยอย่า ง, งนี้เนยนี่ไม่ได้เข้าใจว่าถูกเท <c oughs> ่านั้นเดีเห็นผิดเข้าใจว่าชอบว่าเป็นทิฏฐิสุ ก, กรรมทำท่ า, ทานก็มีผลมีผลในขันท่านแต่ปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติมามาฝึก ฝึกสติสมาธิบางคนพันว่าโอ้ยสีทํามสมาธินี่ก็ต้องรักษาศีลหาให้มันบริรสุทธิ์สักก้อนพันว่าอ่าเนรักษาศีลหาพระบริสุทธิ์มันยังยากอายุน่าได้อยากได้มันก็นยังมีอยู่ก็เลยพอภาวนานี่ก็ผิดอีกอ็นก็เห็นผิดอีกเพราะว่าภาวนานี่มันเป็นเรื่องฝึกสติฝึกจิต ฟื้นสติศีลสมาธิปัญญาที่จะให้ศีลสมบูรณ์เนี่ยมันต้องมีต้องมีสติต้องสติสมบูรณ์แล้วจิตเนี่ยมันยังค่อยเสียมันบวแมแว่วมันยังจะบวเกิดเอียงไปตามข้อมอยาเป็นข้อมกระเพื่อมตามข้อมอยาจิตเป็นสมาธิคือจิตเป็นตัวของตัวเอง รู้อยู่อยากอยู่ความอยากมันมีอยู่โลภมันก็มีอยู่โกรธมันก็มีอยู่นั่นเองถูกเก็บป่วยมันก็มีอยู่แต่ถ้ามันมีสมาธินี่คือมันมีกำลังเป็นความรู้ความตั้งแน่วแน่ของตัวเองเนี่ยเป็นอิสระเรียกว่ามีเหตุผล นี่สติสมาธิเพราะฉะนั้นถ้าคิดมันเข่าสมาธิในคันที่ห้าสีา่ไฮสี่ไฮมันเป็นที่พักที่มันบัตุกพราะอันนี้ยังลงผู้โอนวันพระเก้วคนว่าอสมาธิเป็นที่พักเวลาป่วยเวลาคนเจ็บป่วยเป็นกําหนดคิดเขาา่าภายในอย่างนี้ ว่าเกี่ยวข้อมปวยความไข่ความอย่างนั้นก็มันก็มีอยู่ของมันลหละแต่ว่ามันว่ได้มีในกิดพลเนี่ยมันจะมีผลมีประโยชน์อย่างนี้เพราะฉะนั้นใฝึกสติสมาธินี่แหละให้มากๆเอาละมันได้